การสะสมบุญนี้เป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรแต่สะสมอุปนิสัยจะเห็นว่ากุศลจิตชั้นสูงกุศลจิตนี่สูงที่สุด ร, ระดับไหนนึกออกไหมสูงที่สุดเลยเนี่ยดวงไหนกุศลที่สูงที่สุดเลยดวงไหนเนยใช้หัวไหนหัวจะได้เล่นอรหัตตมรัก อรหัตตมรคนั้นเป็นกุศลที่สูงที่สุดถ้าอารหัตตมรที่เป็นปัญจมะฌานนี่นะอรหัตตมรอันนั้นเนี่สูงที่สุดเลยเป็นอรหัตตมรของพระพุทธเจ้านะของพระพุทธเจ้าแล้วอรหัตตมรอันนั้นเกิดขึ้นป๊บอรหัตตผลแล้วยานที่เกิดทีหลังนั้นมาเนี่ยเป็นระดับสัพพัญญุตยานรู้ทุกสิ่งเลยครับ น, นี่นะถ้าถ้าถึงจุดนั้นแล้ว อ, อรหัตตมักกุศล น, นั้นเป็นกุศลที่สูงที่สุดกุศลเหล่านี้เนี่ยเมื่อสูงอย่างนี้เนี่ยการอ บ, บรมก็ต้องมีมากนะตามแต่คุณภาพของมักที่ ท, ที่ที่บุคคลนั้นตั้งเอาไว้ถ้าคนที่ตั้งอริยมักไว้สูงมากเท่าไหร่การสะสมบารมีก็ ก, ก็มากเท่านั้นเพราะว่าอารหัตตมักนี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากที่อรหัตตมักเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางท่านก็ทํากิจที่เรียกว่าพุทธกิจ ถ้าระดับพระพุทธเจ้าก็ทำพุทธกิจถ้าเป็นอัคารสาวกก็ทำกิจตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนําันนนังั้นอรหัตตมรรคเหล่านั้นก็ได้รับการสะสมอบรมมาถ้าเป็นระดับอสีติมหาสาวกที่เรียกว่าสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายแหละเนี่ยส่วนใหญ่ก็แสนกับสะสมไอ้ความคิดอันนั้นมาสะสมความคิดที่จะออกจากวะะัฏะเนี่ยที่เรียกว่ากุศลทั้งหลาย อันกุศลที่เป็นไปเพื่อออกจากวัตตะกุศลเหล่านั้นเรียกว่าเรียกว่าบารมีนะอันการสะสมบารมีนะธรรมะที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เข้าถึงอรหัตตมรักอรหัตตผลได้นั้นเนี่ยผู้ที่สะสมได้เข้มข้นนะก็สามารถที่จะตรัสรู้ได้เมื่อตรัสรู้แล้วก็มีความรู้ความสามารถแตกฉานคือถ้าหากว่าสมัยที่บำเพ็ญบารมีอยู่นะ ยกตัวอย่างเช่นปัญญาบารมีเป็นผู้ที่คงแก่เรียนลักษณะเหมือนกับภิกษุณีเมื่อกี้เนี่ยน ะ, ะผู้ที่คงแก่เรียนในสมัยที่เป็นยังไม่ได้บรรลุธรรมถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นบรรลุธรรมแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการกล่าวธรรมมรราได้อย่างวิจิตพิสดารเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยอบรมมามากถ้าอบรมวิปัสสนามามากก็คือเท่ากับอบรมศึกษาเรื่องชีวิตมาก เมื่อศึกษาเรื่องชีวิตมากนะคำสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะก็คือคําสอนว่าด้วยเรื่องของชีวิตฉะนั้นเป็นคนที่มองชีวิตออกมากทุกหลายๆแงม่มุมนะสามารถที่จะแสะดงธรรมะตามพระผู้มีพระภาคได้คําสอนในพระไตรปิฎกนะก็คือคําสอนที่กล่าวถึงเรื่องของขันท่านั่นแหละแต่ขันท่านั้นสามารถจําแนกเป็นนัยยะต่างๆได้อีกตั้งเยอะแยะนะก็ขันนั่นแหละไปเรียกว่าธาตุ ขันนั่นแหละไปเรียกว่าอายตนะขันนั่นแหละเรียกว่านามรูปขันนั่นแหละเรียกว่าอริยสัจขันนั่นแหละเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะก็คือขันห้านั่นแหละเมื่อขันห้านั้นคนที่ช่ำชองในการพิจารณาขันห้ามากๆก็สามารถที่จะใส่ชื่อบัญญัติลงไปสามารถที่จะแสดงให้คนฟังได้ไม่รู้จักเบื่อว่างั้นเถอะสามารถที่จะแสดงได้อย่างวิจิตพิสดารอย่างพระผู้มีพระภาคนี่เรียกว่าธรรมราชา เป็นเจ้าของแห่งธรรมพระองค์สา ม, มารถที่จะยักย้ายคําสอนของพระองค์ยังไงก็ได้ให้สั้นที่สุดเลยก็ได้ให้ยาวมากจบไม่เหมือนกับจบไม่เป็นเลยก็ได้เป็นอนันตนาใจบไม่เป็นเลยก็ได้นะหรือให้สั้นก็ได้สั้นเหลืออะไรเหลือหนึ่ง <c oughs> อุเทศหนึ่งวยากรณหนึ่ง <c oughs> สัพเพสตาอาหารทิติกาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารคําว่าสัตว์เป็นชื่อของสังขารธรรมคำว่าอาหารเป็นชื่อของปัจจัย มันสังขารทั้งหลายอยู่ด้วยปัจจัยนะให้ย่อเหลือแค่นั้นก็ได้หรือกุศลธรรมทั้งหมดประชุมให้เหลือเล็กๆ ก, ก, ก็ได้เหลือไม่ประมาทอันเดียวนั่นแหละรู้จกขยายให้มากเยอะจริงๆเลยก็ไดนะ้เป็นอนันตนาเรียกว่าสมันตะปัฐานเนี่ยเป็นอนันตนาในในไม่มีที่สิ้นสุดนะสามารถที่จะย่อที่จะขยายตามสมควรแก่อัทยาศัยอย่าลืมว่าคำสอนทั้งหมดเนี่ยถึงย่อก็ตามพิสดารก็ตามมีรถเดียว คือวิมุติรสพระองค์นั้นกล่าวธรรมะทั้งหมดเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากกองทุกข์เท่านั้นเองอนะซึ่งคําสอนทุกส่วนเนี่ยเป็นไปเพื่อพ้นจากกองทุกข์วันนี้เราศึกษาเดี่ยวกับเรื่องของเมตตาใช่ไหมก็เป็นคําสอนอีกคําสอนหมวดหนึ่งที่เป็นไปเพื่อทําที่สุดแห่งกองทุกข์ซึ่งบางท่านอาจจ ะ, ะไม่ค่อยเหมาะอัธยาศัย แต่หลายท่านก็ตรงกับอัธยาศัยแต่อย่าลืมว่าคําสอนไม่ได้มีอยู่เท่านี้นะคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นมากจริงๆ อ, อการศึกษาของเรานั้นจึงไม่ควรจํากัดอยู่ว่าเอ๊ะจะศึกษาเฉพาะเรื่องนั้นศึกษาเฉพาะเรื่องนี้เรารู้ไหมว่าอัธยาศัยเราเป็นอย่างไรใช่ไหมเรายังไม่รู้อัธยาศัยของเราเลยเท่าที่จําได้นะรู้จักคนพอสมควรเนี่ยผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกไม่เห็นชอบเหมือนกันสักส่วนเลยแรกๆเหมือนใช่่ะ ฟังดีเออฟังมีเหตุมีผลดี <_ t ok> พอไปนานๆเขามันเปลี่ยนไปด้วย <_ t ok> แม้แต่สูตรเดียวกันนะบางคนก็ชอบหัวบางคนก็ชอบท้ายอะ่ะไม่มีความเหมือนกันสักอย่างเพราะอินทรีย์นี้แตกต่างกันมากบางคนเนี่ยสัตว์ทินทรีย์มีกําลังจริงๆเลยนะเชื่อไว้ก่อนนะศรัทธาไว้ก่อนเลื่อมสายใจผ่องสายเลื่อมสายในคาสอนไว้ก่อนเหตุผลเอาไว้ทีหลัง <_ t ok> บางคนไม่ได้เหตุผลก่อนอันนี้เรียกว่าหนักไปทางปันยินทรีย์หน่อยบางคนนี่ก็ นะไม่ประมาทเรียกว่าสตินซีบางคนก็จะเอาสมาธินซีมางั้นเถอให้มันสงบไปด้วยฟังไปด้วยเข้าใจด้วยแต่เข้าใจแบบสงบบางคนไม่สงบไม่เป็นไรให้รู้เรื่องไว้ก่อนอันแตกมีความแตกต่างกันนะอันเวลาเฉพาะธรรมดาเราเนี่ยที่มาเนี่ยนะอิริยาบถในการฟังเนี่ยแตกต่างกันอันนี้ก็บ่งถึงลักษณะของอินรีที่ที่แตกต่างกันด้วยสะสมมาแตกต่างกันแต่ทีนี้ว่าอาการสะสมเหล่านี้เนี่ย สะสมอย่างไรที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจจะทำได้นั่นแหละสะสมไปเถอะอะไรจะมากอะไรจะน้อยก็เพิ่มไปเรื่อยๆคนยุคนี้นะที่จะมากเลยเนี่ยยากดูถ้าจะขาดเกือบทุกเรื่องเลยนะอย่างเช่นสัตทินรียที่มากก็ไม่มากจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ถึงกับสัทธาพระอรหันตรรร์สัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายจนเกินไปอีกก็ไม่ใช่นะเคนที่ศรัทธาจริงๆนะสามารถพลาลนาพุทธคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบหมดเลยนะ ใจเนี่ยเด่งไปในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้โหอย่างละเอียดลึกซึ้งเอออย่างนั้นเข อ, อย่างชื่อจะบอกว่ามีศรัทธาจริงใช่ไหมเขาบอกว่ามีความเพียรจริงก็โหตัวอย่างเนี่ยนะทรงจำธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งตามที่ศรัทธานั้นก็เดินจงกรมจนเลือดอาบเหมือนพระโสดนะแต่เชื่อว่าโอ้โหศรัทธาจริงๆริงความเพียรเนี่ยจริงจริงว่งั้นเดินเหมือนเขาเรียกว่าทางจงกรมเนี่ยเหมือนกับลานแห่งคนข้ า, าโคว่า ง, งั้นเลือดอาบเลยทัศนสติจริงๆก็รอบรู้นะสัมปชัญญะเจ็หมวดเนี่ยนะ ก็ต้องแม่นยำเป๊ะๆหมดอยู่ที่ไหนสติเหล่านี้เนี่ยไม่เคยห่างเลยปัจเจกหมดเลยนะมันั่งปับ๊บปัจเจกเลยจะเลี้ยวซ้ายแลขวาเนี่ยนะใจคู่ใจเหยียดเป็นต้นเนี่ยมีสติสติก็คือสัมปชัญญะสี่นั่นเองเข้ามาอย่างคล่องแคล่วอ่าถ้าหากว่าคนที่มีสมาธิเลยก็เข้าชานได้อะระดับชานจริงๆอ่ะถึงจะเรียกว่าสมาธิจริงจริงถ้าปัญญาจริงๆก็ต้องโหยขี้แต่เรื่องปฏิจจสมุป บ, บาทขี้แต่เรื่องอรยิยสัจดิ่งลงไปในเรื่องนั้นนะอ่ะเออก็บ่งถึงความมี ปัญญาแต่ทีนี้เราเพียงแต่ชอบชอบนะชอบชอบเออบางช่วงนี้ชอบสัตว์ินรีย์ไปช่วงนี้ชอบวิริยินทรีย์ช่วงนี้ชอบสตินทรีย์เขาเรียกว่าคนชอบใช้เฉยยังไม่เรียกว่าคนมีอินทรีย์เหล่านั้นจนถึงกับต้องลดระดับนี้ยังไม่ต้องลดเราเพิ่มไมเตอมไม่มีผิดนั่นแหละแต่ขณะเดียวกันก็เพิ่มอินทรีย์หลายๆอย่างประกอบเข้ากันด้วยนะนะถ้าได้ศรัทธาแล้วก็เพิ่มปัญญาเข้าไปด้วย การศึกษาเรื่องเม ต, ตานั้นก็เท่ากับอย่างในเมตสูตรนะที่ให้ไปนั้นเท่ากับเสริมอินซีชัดๆเลยกี่ตัวเสริมอินรีนะชั้นต้นเรื่องซีเนี่ยเสริมอะไรอินรีไหนเสริม um สัตทินทรีกับเสริมวิริยินรีนะยกตัวอย่างเช่นในข้อความเมื่อวานเนี่ยนะหน้าไหนหน้า370เนะเมื่อวานนี่โหได เดินเรื่องได้น้อยช้ามาก <c oughs> นะย่อหน้าสุดท้ายข้างล่างสุดเลยนะหน้า370อ่ากล่าวถึงว่ากุลบุตรใดชําระปาติโมกขสังวอเนี่ยนะหรือว่าบําเพนปาติโมกสังวอนนะั้นปาติโมกเหล่านี้เนี่ยสำเร็จด้วยศรัทธาพราสัตทิ น, นรีนจะต้องมีกำลังในการเจริญรักษาพระปาติโมก เพราะว่าปาติโมกส่วนหนึ่งนี้พระองค์ให้ให้เวน้นส่วนหนึ่งให้ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่เว้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่อยากจะเว้นเลยอยากจะทําอยากจะทําแต่เเชื่อในพุทธคุณพระองค์ไม่สอนเราผิดพลาดแน่นอนทําตามไปก่อนนะหรือบางอย่างนี่ยังไม่อยากทําเลยอ่ะใช่ไหมไม่อยากทําอย่างประพฤติวัดเป็นต้นไม่อยากทําเลยเมีศรัทธาในพระุทธเจ้าก็ทําตามเลยอันนี้เรียกว่าเสริมสัตทินรีให้มากๆ ส่วนอินทรีสังวรนี้จะต้องมีสติเป็นหลักนะเหลียวซ้ายแลขวาเหลียวแหลทําไมใช่ไหศาสตะสัมปชัญญะเป็นต้นจะเข้ามาเพราะสติกับสัมปชัญญะเป็นของคู่กันนะถ้าอาชีวะปริสุทธีศีลนี้มีความเพียรเป็นหลักนะต้องขยันหน่อยอย่างบินทบาทนี่ก็ต้องขยันหน่อยนะถ้าพระนะถ้าคารวะก็เหมือนกันสัมมาอาชีพก็ต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างใช่ห ถ้าไม่ขยันจริงๆก็ไม่เป็นสัมมาอาชีพถ้ามิชฌาอาชีพระยะใกล้อาจจะไม่เหนื่อยนะแต่ระยะไกลนี่เหนื่อยมากตกนรกเนี่ยโหเหนื่อยจริงๆเลยเนะไม่เชื่อก็อย่าไปเลยเอ่ะแล้วต่อไปอีกโยนหนึ่งก็คือศีลข้อปัจจยะปฏิเสวนาการเสพเฉพาะเนี่ยนะซึ่งปัจจัยการเสพเฉพาะซึ่งปัจจัยนั้นต้องมีปัญญาเป็นเป็นหลักที่ถามว่าเออนี่ เข้ามาในเสนาสนะนี้ปัจเจกไหมก็คือพิจารณาหรือเปล่าใช้สอยเสนาสนะทําไมนะสัทธากษัมปัญญะจะเข้ามาแล้วใช้สอยเสนาสนะนี้เพียงเพื่อบําบัดความหนาวใช่ไหมเออท่านั่งอยู่ตรงนี้ก็หนาวน้อยกว่าข้างนอกนะถ้าเป็นหน้าร้อนก็เพื่อบําบัดความร้อนด้วยบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดไปนั่งที่อื่นเนี่ยทั้งลมก็รบกวนยุงก็รบกวนเป็นต้นอยู่ตรงนี้เหลือบยุงลมแดดเป็นต้นก็ไม่รบกวนนะ แล้วก็เพียงเพื่อบันเทาอันตรายจากอากาศดินฟ้าอากาศไปอยู่ที่อื่นเป็นต้นเนี่ยดินฟ้าอากาศจะทำให้สุขภาพเป็นต้นไม่ดีแต่ก็เพื่ออะไรเพื่อหล็กเ้นสำหรับภาวนานะเพื่อการเจริญภาวนาเรามานั่งอยู่นี้เป็นภาวนาไหม บ, บุญที่เราเคยได้ยินกันก็คือทานศีลและภาวนาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เป็นกุศลประเภทศีล แต่การศึกษาพระธรรมการฟังธรรมการตรึกตามพระธรรมเป็นต้นอันนี้เป็นกุศลประเภทภาวนาทานศีลและภาวนานการเจริญกุศลลักษณะนี้เรียกว่าภาวนากุศลเพราะไม่ใช่ทานากุศลเพราะเราไม่ได้ยิบยื่นอะไรให้ใครใช่ไหมแต่ถ้าปัจเจกเข้ามาแล้วพิจารณาเอ่นี่เป็นศีนลกุศลแต่ถ้าหากว่าคี่ตามพระธรรมในความเป็นเหตุเป็นผลเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นภาวนากุศลภาวนากุศลนั้นตามสมควรแก่ ปัญญาของผู้ใดตามสมควรแก่ศรัทธาเป็นต้นของของผู้ที่เจริญนั้นๆแต่ก็ไม่ใช่ทานแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ศีลเวีนไว้แต่ว่าโอ้โหนี่มันเป็นวัดเป็นประเพณีซึ่งปู่ย่าตายายพาธรรมาอย่างนี้ก็มาทําตามแบบท่านอะ่ะมานั่งทํำทำตามท่านเอออันนี้ทําตามประเพณีกุศลลักษณะนี้เป็นประเภทศีลกุศลเพราะปรารคประเพณีแต่นี้ไม่ใช่เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอย่างนี้ไหม อาจจะไม่มีแต่ก่อนหน้านี้จริงๆมีสมัยที่พระสิริมังคลาจารย์อยู่อาจจะมีเนาะสมัยที่พระเทระพนันธาจารย์พระอะไรที่พระเทระชาวเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงเนี่ยเยอะมากที่แต่งคำพีที่เป็นวรรณกรรมที่เป็นคำพีเด่นๆเลยอย่างพระ อ, ะองค์หนึ่งที่แต่งโยชนาพระพิธรรมนะคือแต่งโยชนาพิธรรมมัแต่งโยชนาดีกาว่าดีกาเนี่ยต้องแปลตามแนวนี้แนวนี้จึงจะถูก อย่างคมภีดิอัตตะขาพระวินัยเรียกสมันตะปาสาธิการนั้นมีคมภีโยชนาโยชนาว่าถ้าจะแปลต้องแปลไปตามนี้นะสับนี้มีความหมายว่าอย่างนี้ต้องแปลอย่างนี้อย่างนี้ไม่อย่างนั้นจะผิดอัดนะท่านมีคำพีอีกนะว่าไม่ใช่จะแปลได้แปลตามที่ตัวเองชอบไม่ได้มีหลักเงื่อนไขว่าต้องแปลเป็นไปตามนี้ตามนี้ตามนี้เมื่อแปลตามนี้เสร็จคุณก็ไปคิดเอากันแล้วกันว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าหลักหลักการแปลนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะได้ไม่ขัดกับเรื่องอื่นๆ เพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ทรงพระตายพิดกเพราะการพิจารณานี้ในเจตุปริสุทธิสินเนี่ยนะใช้อินทรีย์กี่อยา่างเจตุปริสุทธิศินใช้อินทรีย์กี่อยา่าง mm hmm. หนึ่งปาฏิโมกสําเร็จด้วยศรัทธาก็คือสัทธินทรีย์อินทรีย์สังวรก็เป็น mm hmm. สเตนทรีย์วิริยะสังวร mm hmm. อ, อาชีวะรี่เนาะ อาชีวะบริสุทธิ์ที่สีนั้นเป็นวิริยินรียแล้วก็พิจารณาปาจัจใจศีเป็นตัญยินรีนะได้อินรีสี่ตัวแล้วทีนี้ถ้าได้อินศีสี่อย่างเนี่ยเพิ่มสมาธินรีเข้าไปมาเพิ่มสมาธินรียคืออะไรก็เรื่องเมตานั่นเองเป็นเรื่องของสมาธิรีทีนี้ถ้าหากว่ามันมันยังเป็นอบัตอะมันศรัทธามีแล้วละ่ะแต่ถ้าจะชำระทําอย่างไร ท่านก็บอกว่ากุลบุตรได้ชาระปาติโมฆะสังวรด้วยอํานาจการชําระอาบัติ7จ็กองนะอาบัติ7จ็กองเนี่ยนะถ้าปราชิกก็ไปเป็นเนรซาไม่เป็นรายรอกเป็นแล้วก็แล้วไปแต่ก็ไปเป็นเนรนะนะไปรักษาศีลแบบเนรนะเป็นสังฆาธิเสกก็ไปอยู่ปริวาสนะทําไม่ได้ปกปิดก็อยู่ม า, มานัดเลยอย่างเงี้ยเรียกว่างั้นถ้าเป็นอาบัติที่เหลือ อ, อีกเท่าไหร่ห อ, ออก2เอเจ็ดเอาออก2ก็เหลือ5นะ อีกห้ากองที่เหลือนะไปโปรงว่าท่านผู้เจริญหรืออาวุโสข้าพเจ้าต้องอบัตชื่อ น, นี้นะนะกระผมเนี่ยขอแสดงคืนอบัตนั้นแก่ท่านว่างั้นผู้รับก็บอกว่าเออท่านเห็นอบัตนั้นใช่ไหมว่างั้นท่านเห็นอบัตนั้นหรือครับผมเห็นเออดีแล้วขอให้ท่านสํารวมระวังต่อไปสาธุผมจะสํารวมระวังด้วยดีต่อไปชําระอันนี้ก่อนนะแปลว่าถ้าชําระได้อย่างนี้เข้าความเดือดเนื้อร้อนใจวิปฏิสาณก็จะไม่มี ทีนี้อินทรีสังวรน่ะอินทรีสังวรก็ด้วยอำนาจความไม่เกิดขึ้นแห่งอุปกิเลสทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นในอารมณ์ที่มากระทบในทวารทั้งหกออถ้าว่ามีใจไปผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำอย่างไรก็บอกอธิษฐานนะก็บอกว่าข้อนี้สำเร็จด้วยการอธิษฐานอธิษฐานว่าจะไม่ปล่อยจิตให้เป็นลักษณะนั้นอีก นะไปถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอันนี้ต้องขยันอธิษฐานหน่อยนะอธิฐานบ่อยๆไม่เสียหายนะอธิฐานกับสมาทานเนี่ยคล้ายๆกันนะสมาทานบ่อยๆไม่เป็นไรเผลอแล้วก็แล้วไปเอาใหม่นะตั้งใจใหม่ว่าจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นอีกจะไม่ปล่อยใจแบบนั้นอีกละเมื่อเห็นจะไม่ปล่อยใจให้เป็นบาปแบบนั้นอีกเมื่อได้ยินจะไม่ปล่อยใจให้เป็นบาปเมื่อรับกลิ่นนะสมมุติว่าทานอาหารเสร็จอ้าวพึงนึกได้ ไม่ได้ปัจเจกอะไรเลยเ อ, อ, อธิษฐานว่าจะไม่ให้เป็นแบบนี้อีกต่อไปจะพิจารณานะตั้งใจแบบนี้ใหม่ๆหม่ตั้งใจแบบนี้บ่อยๆใหม่ๆไ ม, ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็หน้าเราไม่ได้ศัตรูตัวเองใช่ไหมทำไมเราจะไม่ให้โอกาสแก่ตัวเองได้บางคนเนี่ยตั้งครั้งสองครั้งทําไม่ได้เนี่ยเสียใจเลยนะเลิกทําเลยถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกนะมันก็ลองใหม่ไปเรื่อยๆตั้งใจเอาใหม่เดี๋ยวนานๆเข้าสติมันจะเริ่ม ชั้นกับชั้นเข้าเขาเรียกว่ามีสติเวีรอบเคยได้ยินนะในพระไตรปิฎกเจอบ่อยมีสติเวีรอบแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีสติก็คือในรอบนี้มีสติตลอดเลยเหมือนวงกลมเขาว่างั้นนะะก็คือวงกลมนี้จะไม่มีรอยขาดใช่ไหมถ้าจึงเรียกวงกลมมันจนกว่าสติจะรอบอย่างนั้นตรงไหนไม่มีอุดเข้าไปเรื่อยๆอธิษฐานใหม่ ย, ย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชําระใจให้ไม่ให้บาปอากุศลเข้ามาเกี่ยวข้องได้ ผมเตือนตัวเองเอาใหม่เจนพานเอาใหม่ถือว่าถ้าเราตึกเป็นในตึกแล้วมันเป็นเป็นพยาบาธานี่นะเอาใหม่เจนพาได้แล้วก็พอบอกว่าเอาใหม่นี่เขาก็เลิกตึกเป็นพญาป้าอาพยาบาธาแล้ก็มาตึกสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นอาจจะมากกอคุศลอื่นอีกต่อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอะไรแรงๆนะครับเราเห็นว่าเอ๊ะตึกอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยเป็นพยาบาทาวิตกเอาใหม่เจนพรนก็นึกถึงพ โอวาทอย่างใดอย่างหนึ่งของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมเออเธอเป็นกุลบุตรผู้มีศรัทธานะควรหรือที่จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอ อ, อย่างนี้ก็ได้ทีนี้การฝึกจิตของตัวเองเนี่ยบางครั้งก็เราก็ไม่ต้องถึงกับขูต่ตะคอกอะไรตัวเองหรอกนะจิตเราเนี่ยบางทีมันก็เหมือนเด็กๆนะถ้าเราบอกเขา บ, าบ่อยๆเขาจะเชื่อนะแต่ถ้าเราไปซ้ําเติมเขามากบางทีเขาเครียดดงั้นถ้าเรารู้จักบอกเขานะบอกว่าเอออย่าคิดอย่างนี้นะมันไม่ดี บอกอย่างนี้สักสามสี่ครั้งเนี่ยนะมันจะไม่คิดแต่ถ้ามันคิดอีกทําไงก็ถามว่าเออคิดอย่างงี้มีประโยชน์ยังไงแล้วก็ซักเลยนะศึกษามาตั้งเยอะแล้วก็ถามว่ามันดียังไงแล้วก็เหมือนกับเราถามเด็กๆกับต้อนเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรยดีไหมเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษเออที่คิดทั้งหมดเนี่ยเป็นทานไหมเป็นทานบารมีไหมไม่เป็นเป็นศีลบารมีทักข้อไหมไม่เป็นเป็นปัญญาบารมีสักอย่างไหม ไม่มีเป็นเนคขมมะสักข้อไม่มีเป็นวิริยะเป็นขันติเป็นเมตตาเป็นอุเบขาบารมีสักข้อถามไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวฮีนี้โอตะ ป, ปะมันจะเกิดแล้วมันไม่คิดแบบนั้นอีกหรอกนะแต่เราก็อย่าไปดุดุนั้นคนที่ดุตัวเองก็คือคนที่ขาดเมตตาต่อตัวเองนั้นคนที่ดุตัวเองก็แสดงว่าดุคนอื่นประจำนั่นนะแหละเราก็สังเกตดูนะว่าสามารถที่จะรู้อัธยาสายได้คนคิดแบบไหนก็จะพูดแบบนั้นบ่อย ถ้าเป็นคนช่างติเตียนตัวเองบ่อยๆเดี๋ยวก็ตำหนิคนอื่นเรื่อยๆเหมือนกันนะวาจาก็จะออกมาในลักษณะนั้นถ้าหากว่าประพฤติต่อตัวเองด้วยความอ่อนนุ่มก็จะประพฤติกับคนอื่นด้วยความอ่อนโยนลักษณะเดียวกันด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันก็ฝึกอย่าฝึกวิธีเดียวฝึกหลายๆวิธีอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าวิธีที่ฝึกแบบหนักๆนี่ฝึกยังไงก็ปรารภลักษณะนี้ว่าเออคนที่คิดอย่างนี้ไปอบายนี่มีไหม นะก็หาตัวอย่างเออคนที่โทสะแบบนี้นะนี่จเจริญรอยตามพระเทวทัศน์นี่นี่จเจริญรอยตามพระโกกาลิกะนี่นี่จเจริญรอยตามพระกปิละนี่แล้วก็ตรึกหาเอาตัวอย่างที่ไม่ดีนะตัวอย่างที่เป็นลักษณะนั้นมาว่าเรากําลังเดินตามคนนี้อยู่น ะ, ะถ้าเราให้เหตุผลแก่ความคิดเราเพียงพอนะมันจะไม่คิดในเรื่องนั้นนั้นมันจะเห็นโทษจริงๆเลยแต่ถ้าเราให้ให้เหตุผลเขาไม่พอนะเราก็จะลักษณะขมขีกัน ถ้าคมขีกันนะวันแรกๆจะพอได้ก็เหมือนกับกัดฟันมาฟังคำเนี่ยนะ<ม>ใหม่ๆก็พอได้เหมือนกันนะวันที่2ที่สเข้าชักไม่ค่อยสนุกพูดก็ผิดหูไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเดี๋ยวก็ว่นวายแล้วก็จะเป็นลักษณะนั้นคนที่ฝืนเนี่ยจะได้ไม่ค่อยยาวนักเว้นไว้แต่ว่าคนนั้นเป็นบุรุษอาชาในนะสา ม, มารถที่จะฝืนได้เป็น 10, 10ปีหรือหลายสิบปีในคัมภีร์เล่าตัวหนึ่งพระโพธิสัตว์มีอยู่ชาตินึง ก็บอกว่าชีแรกท่านมีศรัทธาที่จะมาบวชอย่างเต็มที่เลยบวชมาได้เจ็วันหมดศรัทธาวางกันแต่ก็กัดฟันบวชได้หลายสิบปีด้วยกันจนมีอยู่ครั้งหนึ่งให้ให้คนเนี่ยพูดเป็นสัจจะออกมาก็บอกว่าด้วยสัจจะอันนี้ไม่เคยเล่าบอกใครเลยว่างั้นก็ว่าเต็มใจบวชอยู่ยินดีในการบวชอยู่แค่เจ็ดวันที่เหลือมาไม่เคยพอใจเลยไม่อยากบวชแต่ก็ได้บอกแต่พระโพธิสัตว์มีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าท่านลงได้ทําอะไรแล้วไม่เลิก อันจะอยู่อย่างนั้นของท่านนั่นแหล ะ, ะบางทีเนี่ยถึงจะรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์นะเพราะความที่สมาทานจะทำอย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นไปก็ทำไปเรื่อยๆไม่เลิกไม่ราน ะ, ะความเพียรของท่านจะเป็นในลักษณะนั้นนั้นของเราก็ลักษณะเดียวกันเรื่องจิตนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้เจริญพรแล้วต้องฝึกด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนไปฝึกมันฝึกได้จริงๆนะครับ อย่างชาติสุดท้ายของพระเถรีหลายองค์นะครับบอกว่าเสียใจเหลือเกินตั้งแต่บวชมาหลายปีแล้วนี่บังคับกิจไม่อยู่ตรึกแต่กามาวิตกนะครับบังคับมาอยู่เสียอกเสียใจนะครับแต่ว่าบังเอิญมีอยู่วันหนึ่งนะภิกษุณีองค์หนึ่งก็ไปเห็นช้างช้างเนี่ยเวลาขวานช้างเขาจะขึ้นขึ้นบนหลังช้างเนี่ยช้างมันก็พราฝึกไวใช่ไหมมันก็เอาขาเท้าหน้านี่ยืดออกมา แล้วก็ให้ควานเหยียบขึ้นไปนะครับเพียงเท่านี้นึกขึ้นได้นะครับสามารถแล้วก็จะริววิปัสนาบนรรลุมรรคผลได้เจนิญพรก็สมณเณรรูปหนึ่งนะบวชเป็นเณรอายุเจ็ดขวบเลยกําลังเดินตามอุปชาบวชเดินตามภาษาดิบุตรนี่แหละเดินตามไปอุมบาตตามหลังอุปชาไปเห็นชาวนาเข้าไห้น้ำมันนะก็ถามว่านี่อะไรก็บอกเขากําลังไห้น้ำเข้านาว่างั้น ทีนี้สัมมาเนนก็ถามว่าเออน้ำมีใจไหมไม่มีอ่ะสัมมาเนนไปอีกทีนี้ไปเจอไอ้ช่างเขาถากถากล้อเกลี่ยนะให้มันโค้งโค้งเขาถาก่ากกเนนะเข า, ากเขาทําอะไรก็อบอกเขาถากล้อกเกลียเหมือนกันเออแล้วไม้นี่มีใจไหมไม่มีอ่ะสัมมาเนนก็เดินต่อไปอีกไปเจอไอ้ช่างดัดลูกศรเนี่ยนะก็ไม้งามแล้วก็ลนไฟแล้วก็ดัดดัดดัดดั ด, ด, ดลูกศรแล้วเขาทำอะไรบอกดัดลูกศรเออ e ลูกศรนั้นมีใจไหมไม่มี ก็บอกแค่นี้แหละท่านเอาบาดของท่านไปเดี๋ยวผมจะกลับไปอุปชาไม่ว่าทักคําคเลยนะเอาไปก็ไปเลยเอาให้กุญแจไปเลย น, นละแค่ว่าให้ดานไปก็คือให้กุญแจไปเปิดกุฏิเลยนะสัมมานเรนไมรออยู่กุฏออิกนนนน็บอกว่าผมจะฉันอาหารแบบนี้นะว่างั้นบอกอุปชาด้วยบอกว่าถ้าไม่ได้อาหารแบบนี้ด้วยบุญของของของอุปชาก็ด้วยบุญของผมสัมมานเรอายุเจดขวบนะแล้วท่านก็ไปไปอยู่ที่กุฏิแล้วก็นั่งจเจริญกรรมฐาน แล้วก็ท่านก็เอาอุทาหรณ์สามอย่างนั่นแหละใช่ไหมชาวนาย่อมไขน้ำช่างสอนย่อมดัดสอนช่างถา ก, ก็ถากบัณฑิตทั้งหลายก็ฝึกตนตนในที่นี้ก็คือฝึกความคิดแต่ที่นี้ฝึกความคิดนี้ไม่ใช่ฝึกแบบคนทั่วไปฝึกแต่ฝึกด้วยศีกขาในศาสนาของพระาศาสดาการฝึกในชั้นหยาบที่สุดก็คือฝึกไปตามอานาจของศีนนั่นแหละฝึกไปตามจตุปริสุท ธ, ธิศีน ฝึกจิตให้เป็นไปกับร่องกะรอยใช่ไหมเออนี่ผิดศีลข้อไหนบ้างังั้นคนที่ศึกษาคําสอนมาดีจะตรวจสอบตัวเองได้เลยว่าคําสอนมีอะไรบ้างก็ไล่คําสอนไปเรื่อยๆไล่ไล่ไล่ไ่ตรงไหนผิดพลาดก็ชําระนะตรงไหนดีสอบสวนแล้วก็ให้ปีติปราโมทในกุศลธรรมนั้นๆนะถ้าชําระแล้วโอ้โหบริสุทธิ์พุดผ่อมก็ปีติปราโมทเชืินชมสมานะกับกุศลนั้นๆะบากบัานในการเจริญกุศลธรรมต่อไป ถ้านะก็ชําระแล้วก็ฝึกเอาเมื่อชําระศีลได้เบ็ดเสร็จหมดแล้วก็ทํำยังไงส่งจิตไปตามคําสอนหรือกรรมฐานหมวดใดหมวดหนึ่งที่พระศาสดาส่งให้หรือเป็นพระธรรมที่เรามีศรัทธาเอาพระธรรมขึ้นบทนั้นแหละมาไตรตรองมาตรึกนะตรึกตามพระธรรมนั้นๆแต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วเนี่ยพระธรรมนั้นนั้นกล่าวไว้ก็จริงอย่างเช่นกล่าวเรื่องขันธ์ธานอายตนะเนี่ยนะเขาจะพิจารณาขันธ์ธาตอายตนะอะไรใช่ไหม ขันขันคืออะไรรูปจะไม่ให้รูปก็คือมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสี่ความสายของมหาภูตรูปสี่เรียกว่าปราษาธะหรือตาเป็นต้นนะภาษาธาตาตากับสีเกิดวิญญาณขันมันก็สามารถที่จะต่อเรื่องขันธาแอะยตนะสัจจะอินทรปฏิจจะโยงเชื่อมไปในนั้นก็ตรึกตามแต่ก็ไม่ใช่คิดถึงแต่ชื่อเฉยๆนะเพราะเขาสงเคราะห์ลงมาในชีวิตเป็นอันเดียวกันและเหมือนกับ คนที่รู้เรื่องเรื่องขนดีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะคิดถึงคำว่าขนหรือมองเห็นเส้นขนเลยนะเขาเขา้าเข้าใจเลยนะเพียงแต่ว่าออคำสอนกล่าวถึงสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคนที่เข้าใจเรื่องขันท่าอายตนะไปแล้วเนี่ยเขาจึงไม่ได้ตรึกโดยที่ไม่มีสภาวะรองรับเขาตรึกตามคำสอนเพราะสิ่งที่เขาคิดเขาเนึกนั้นเป็นสัมม า, ส, มาสัมมาสังกัปปะแต่ถ้าคนธรรมนาทั่วไปจะคิดอย่างนี้ได้ไหม ไม่ได้แสดงว่าเขามีสัมาธิฏินะมีสมาธิฏนะิส ม, มาทิฏิอันนั้นก็มาจากศรัทธาเพราะเขาเงี่ยโสดลงสดับเพราะเขาฟังเขาทรงจำเอาไว้แล้วอันั้นก็เป็นไปตามคําสอนอ น, นะเมื่อเขาสา ม, มารถที่จะทรงจําใครครวนคิดนึกธรรมะเหล่านั้นเป็นสัจจะเป็นความจริงพระพุทธเจ้าคําสอนของพระองค์นั้นเป็นสัจจะเมื่อเป็นสัจจะปะั๊บความเพียรพยายามก็จะเกิดมากขึ้นเพราะคําสอนนั้นทนต่อการ พิสูจน์แล้วก็ความจนถึงความเพียรพยายามจนถึงกับเรียกว่าสา ม, มารถที่จะแทงตลอดปรมาทสัจจะด้วยกายนะทำนิพพานสัจจะเนี่ยให้แจ้งด้วยปัญญานะสา ม, มารถที่จะบรรลุอริยมรรคอริยผลต่อไปได้ทีนี้ยังนึกประทับใจข้อความในกีตาคิริสูตรอยู่เสมอว่าถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ดูความพิสูนทั้งหลายโมฆะบุรุษในห่างไกลเพียงไรจากธรรมวินัยนี้ถ้าไม่เป็นไปตามหลักอันนี้พราะสังเกตหลายครั้งและถ้าเราคิดเอาเองเลยนะโดยที่ไม่นึกถึงคำสอนสักหมวดเลยคิดไปคิดม า, เ, าเดี๋ยวก็จบนะคิดตามอัธยาสาัยเดิมๆ เ, เลยถ้าเราเห็นอันนี้เราจะคิดอะไรนะตามอัธยาสาัยของเราแปะเลย เสร็จแล้วรู้ว่าไม่มีสาระซากอย่างเดียวเลยในนั้นอะ่ะในความคิดอันนั้นไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรเลยเราถามปั๊บเสร็จเอาพระธรรมคำสอนสงเคราะห์ลงมาว่าเออที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยดียังไงมีคุณค่าอย่างไรบ้างถูกต้องอยังไงบ้างมีผลอย่างไรต่อชีวิตมีผลอย่างไรต่อชีวิตในในตอบต่อไปด้วยแต่ถ้าเราเอาคําสอนมาตรึกตามนะในสิ่งเดียวเนี่ยสงเคราะห์ลงจตุ ป, ปริสุทธิ์ศีลไปเลยนะถ้าจะเป็นศีลเนี่ยเป็นอะไรได้ไหม เป็นอะไรเป็นศินข้อไหนได้บ้างก็ตึกทีนี้ในสิ่งเดียวนี้เอ๊ะถ้าถ้าเป็นคารวะนี่เกี่ยวข้องกับแก้วน้ําอย่างนี้จะเป็นปานาติบาตไหมเออไม่เป็นเป็นอธินาทานที่จะเอาไหมเออไม่มีใช่ไหมจะเป็นมุสาวาทเนี่ยจะมาหลอกอาศัยสิ่งนี้เนี่ยมาหลอกคนอื่นเนี่ยมีไหมก็ไม่มี น, นี่เป็นแก้วเหล้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่เมื่อปารรเออนี่เราก็ไม่ได้ร่วงเมื่อไม่ได้ร่วงปั๊บเนี่ยนะ คนนี้ถ้าบอกว่าตัวเองร่วงไปปั๊บมันจะวิปปัิสารแต่ถ้าไม่ร่วงปั๊บขณะนั้นเนี่ยใจเริ่มผ่องใสขึ้นอวิปปัิสารก็จะเกิดขึ้นถ้าชระอินทรียสังวรนี่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะไหมต่อไปนะเอ๊ถ้าถือโดยนิมิตเป็นยังไงถ้าถือโดยโลภะถ้าคนมีโลภะเห็นเนี่ยจะคิดอะไรนะเราก็เอาโลภะที่คนมีโลภะหยาบหยาบมาคิดทบทวนดูสมัยที่เราเคยมีโลภะในเรื่องเนี้ยมันเป็นอย่างไร ถ้าเป็นโทสะเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันลักษณะนั้นคือไม่มีสังวรแต่ถ้ามีสังวรจะเป็นอย่างไรก็คิดยังไงเป็นไปกับกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเออเห็นอันนี้เป็นกุศลข้อไหนได้บ้างใช่ไมเสร็จแล้วถ้าจะเลยไปหาปัจจะยะสรรันนิสิตสีเออมีประโยชน์ยังไงอันนี้นะมันมีประโยชน์อย่างไรเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไรบ้างพิจารณาแบบนี้บ่อยๆนะประโยชน์ของแก้วน้าเพียงเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อใส่น้ําไว้รับประทานเพื่อสะดวกใช่ไหมเอาอุ้งมือตกักแล้วก็หกเรียราดอันนี้ก็ช่วยเหลือเกลือกูนไปเยอะอะไรเสร็จแล้วถ้าจะพิจารณาว่าเออสิ่งนี้นี่ได้มาโดยถูกต้องโดยทํำไหมนะนั่นก็คือปรารภอาชีพของเราว่าเออสิ่งนี้เราได้มาชอบทํำไหมเสร็จแล้วเมื่อพิจารณาทบทวนทั้งหมดแล้วเออถูกโดยทำหมดเลยทหนี้เราก็คิดต่อไปว่าจะเป็นสมถะได้ไหมเป็นได้ไหมแก้น้ําเป็นสมถะได้ไหม ได้สมถะข้อไหนนะได้อาหาเรปฏิกูลสัญญาก็ได้นะอาหา์เอ็อน้ําที่อยู่ในนี้มันก็ไม่เด็ดปฏิกูลอะไรถ้าลองเอาไปอมแล้วก็คลายไส้คืนนี้เป็นยังไงปฏิกูลนะนั่นแหละลักษณะนี้เป็นต้นก็เป็นแนวอาหาเรปฏิกูลสัญญาใช่ไหมอย่างผมเห็นเนี่ยนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไ ม, ไม่สังวร น, นะถ้าปล่อยไปตามเรื่องตำราณนะ ผมดูแก้วใบนี้พร้อมกับสีที่น้ําปานะเนี่ยนั้นแล้วเนี่ยผมเกิดผมรู้สึกว่าเป็นโทรสาครับทำไมอย่างไงเพราะว่ามันเป็นยาที่สมัยเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยเขาให้กินเป็นประจำไอ้ยาแก้รสด้วยประเภทเนี่ยสีคล้ายๆไอ้ซิสเลตอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นยาที่คล้ายๆมันเป็นพืชเลยขายไปต้องกินนี่ก่อนแล้วนะสมัยโบราณ น, นะนะยามันไม่เหมือนสมัยปัจจุบนนะันอ่ะพอเห็นแล้วมันรู้สึกเลยนะ นี่แสดงความวิจิตนะมันเป็นความวิจิตของของของจิตอ่ะที่จะมันสะสมมาอย่างนั้นอ่ะแล้วผมคนอื่นก็ต้องไม่เหมือนผมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนี่มันเป็นโทสะจนได้เฉนพานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นแล้วเฉยเฉยเห็นแล้วเฉยเฉยก็เป็นโมหาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไปกับโมหะนะแต่ถ้าโมหะมันเป็นปกติอยู่แล้วเอาโลภะหนักๆไปก่อนโทสะมากๆไปก่อนเสร็จแล้ว เราก็พิจารณาว่าธรรมะนะที่เป็นสมถะนะเป็นไปกับอาหาเรปฏิกูลสัญญาเออแล้วนี่นี่คําสอนเนี่ยกล่าวไว้อย่างไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เอานะเอาพระอรหันเนี่ยไกลาจากกิเลสพระพุทธเจ้าเห็นอันนี้ไม่มีโทสะพระพุทธเจ้าเห็นอันนี้ไม่มีโลภะพระพุทธเจ้าเห็นอันนี้ไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิไม่มีเรศยาไม่มีอกุศลสักอย่างเดียวเลยนะเพราะพระองค์หักกิเลสที่เป็นเหตุให้ยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านี้หมดแล้วอันนั้นเป็น พุทธานุสตินะหรือว่าเ อ, อคําสอนนี่กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้เออนี่เป็นขันได้อะไรบ้างเป็นขันอะไรเป็นอยนายตนะเป็นสัจจะเป็นอินทรีย์ข้อไหนได้บ้างตรึกไปตามแนวนี้เป็นธรรมานุสติเป็นคําสอนพระสงฆ์สมัยก่อนเนี่ยท่านปฏิบัติยังไงเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้นะท่านอย่างไรท่านชื่อว่าปฏิบัติดีในเรื่องราวเหล่านี้นะก็เป็นสังขานุสติหรือจาคานุสติเคยให้ใครบ้างนะเออเคยให้เรานี่ได้เสียสละได้บริจาคเคยให้ไป นะนึกถึงที่เคยให้นะด้วยให้ด้วยเจตนาที่เป็นกุศลจริงๆก็เป็นจากคานุสติใช่ไหมหรือถ้าเป็นมรณานุสติเออเนี่ยถ้ า, ถ, าถ้าอานนี้เป็นอาหารภายนอกถ้าอาหารชนิดนี้ถ้าขาดนะเป็นปัจจัยให้จุติได้เหมือนกันนะนะก็จะต่อด้วยมรณานุสติก็ได้นะนีแ่แสดงให้เห็นว่าเป็นการ เป็นอุบายในการคิดให้ให้เกิดกุศลจิตนี่นะที่เรียกว่าโยนิสวมนาสิกานี่นะครับเราจะเห็นว่ามันคล้ายๆเป็นอุบายเหมือนกันนะที่เขาแปลไว้อุบายโดยอุบายอันแยบคายเนี่ยนะมันก็เข้าค้ากันนะแต่ว่าการตึกอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ตึกสิ่งที่ไม่ไม่ไม่เป็นจริงตึกสิ่งที่เป็นจริงทั้งหมดเลยเราศึกษาลักษณะเนี่ยนะเราเรียกว่าพุทธศาสนิกชนใช่ไหมขอมีพระธรรมเป็น ที่พึ่งคําว่าที่พึ่งนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าชีวิตของเราเนี่ยเดินตามพระธรรมพระธรรมกล่าวไว้อย่างไรเราเดินตามพระธรรมเราเชื่อว่าเป็นคนมีสาระเริ่มมาตรึกในลักษณะนี้นะจะพะส่วนตัวมาเองนี่คิดว่าเออเป็นคนป่ามันมันนานล้นะแล้วไอ้ริงอย่างหนึ่งมันเกิดมามันก็เกิดในป่าอยู่แล้วนะอโดยส่วนตัวมันก็ป่าอยู่แล้วเออถ้าเราไม่มีคําสอนลักษณะนี้เนี่ยเออเราเนี่ป่าจริงๆ ป่าทั้งกายและก็ป่าทั้งทั้งใจด้วยแปลว่าเริ่มมีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใครบอกว่าเออนี่มันปริยัติทางนั้นเลยอู้สาธุข้าพเจ้าเพิ่งมีสาระก็ตอนนี้แหละเ <c oughs> พราะเมื่อก่อนนี่เป็นคนป่าคนดงคนดอยมานานแล้วเพราะปกะติคิดแบบคนที่ไม่มีคําสอนอะไรสักอย่างเลยตอนนี้ขอมีพระธรรมเป็นเป็นเครื่องคิดอ่ะถ้าเมื่อไหร่ถ้าไม่คิดเป็นไปตามพระธรรมรู้เธอว่าชีวิตขณะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยตกจากคําสอนของพระปากดาแล้ว อันชีวิตของเรานั้นป่าทั้งกายและและใจเลยนนั้เจริญกรุณาให้ตัวเองได้เลยว่าคนที่ไม่มีสารณะไม่มีที่พึ่งแล้วคติที่ไปของเขาเป็นอย่างไรก็สังเกตจากคติของจิตในขณะนั้นว่าจิตนั้นคิดในอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรนั่นแหละคือที่ไปของเขาถ้าเขาคิดด้วยโลภะโลภะที่พาให้สัตว์ไปสวรรค์มีไหมตัวโลภะเองจริงๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่โลภะเนี่ยเป็นเหตุนะตรงๆเลยว่าทําให้เกิดในสวรรค์ไม่มี เว้นไว้แต่เป็นอุปนิสัยให้ไปสวรรค์ได้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยให้ผลไปเกิดในสวรรค์ไม่มีนะทศนิยเนี่ยถ้าเห็นด้วยทศนิยเนี่ยเป็นปัจจัยไปสู่นิพพานมีไหมไม่มีในขณะนั้นๆเลยไม่มีดงนั้นเราก็เริ่มมีสารณะมีคําสอนแล้วว่าเออในทุกๆอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยคาสอนของภาษาสดาแนะนําเราว่าอย่างไรหรือว่าอัธยาศัยของภาษาสดาเนี่ยท่านเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วท่านคิดอะไร นะการศึกษาในลักษณะนี้เป็นการศึกษาในเชิงพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติสังขานุสติว่าพระสงฆ์สมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าผู้ที่ดํำริในในกามมากนี้เป็นวัตถุ ก, กามโลภะที่ยินดีในสิ่งนี้เรียกว่ากิเลสกามากิเลสกามเหล่านี้เขบอกว่าพิกสูรูปใดถ้า ม, มากไปด้วยกา ม, มวิตกเป็นต้นก็บอกว่าทานที่ให้กับคนเหล่านั้นไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มาก เขาบอกว่าพระสองสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่มีใจผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เลยเขาจึงอุปมาว่าลมเนี่ยนะดักตาขายไม่ติดชั้นใดใจของพระริยเจ้าสมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะนั้นท่านไม่ได้ผูกพันในทุกๆอารมณ์เลยแต่ในขณะเดียวกันท่านทําวิจัยในทุกอารมณ์หมดเบ็ดเสร็จหมดแล้วว่าอารมณ์เหล่านั้นมันเกี่ยวข้องในลักษณะใดโดยตามคําสอนนั้นท่านนั้นฝึกจิตของท่านเป็นไปกับคําสอนแล้วนั้นของเราได้นับถือท่านก็ก็เอาละได้บุญละ ของมามีศรัทธาแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะเอเอเองให้คะแนนเ อ, เองเต็ดเต็ดหมด